สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับเช้า ว, วันนี้เป็นเช้า ว, วันจันทร์ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราได้มีโอกาสตื่นขึ้นมาแล้วมีลมหายใจมีชีวิตอยู่เพื่อที่จะทำงานรับใช้พระเจ้าสิง่งต่างๆ่ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันนั้นล้วนอยู่ภายใต้การส่งนาของพระเจ้าทั้งสิ้นพี่น้องครับในเช้า ว, วันนี้เราอยู่ในหนึ่งพงศษบทที่ห้าครับ หัวข้อเรื่องในเช้าวันนี้คือการสร้างพระวิหารพระจ้าของพระเจ้าได้บันทึกไว้อย่างนี้โปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้ากษัตริย์ฮีรามแห่งเมืองไทระทรงมีสัมพันธ์ธนายตรีกับกษัตริย์ดาวิดเสมอมาฉะนั้นเมื่อทรงทราบว่าซูลมอนได้รับการเจิมตั้งเพื่อขึ้นครองราชสืบต่อจากดาวิดราชบิดาก็ส่งทูตมาเข้าเฝ้าซูลมอนมีพระ จะสารตอบกษัตริย์ฮีรามความว่าท่านทราบอยู่ว่าดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้ามีศึกติดพันรอบด้านจึงไม่สามารถสร้างพระวิหารเพื่อพระนามของพระยาเวพระเจ้าของพระองค์จนกระทั่งองค์พระบุ้เนทรเจ้าได้ทรงสยบข้าศึกทั้งหลายไว้แทบพระบาทบัตรนี้พระยาเวพระเจ้าของข้าพเจ้าประทานการพักสงบรอบด้านแก่ข้าพเจ้า ไม่มีค่าศึกหรือภัยพิบัติประการใดเขาพเจ้าจึงตั้งใจจะสร้างพระวิหารถวายเพื่อพระนามของพระยาเวพระเจ้าของเขาพเจ้าตามที่องค์พระอินทร์เจ้าทรงบัญชาดาวิดราชบิดาของเขาพเจ้าไว้ว่าลูกของเจ้าซึ่งเราจะตั้งให้ครองราชบัลลังก์แทนเจ้าจะสร้างวิหารเพื่อนามของเราฉะนั้นขอทรงโปรด สั่งให้คนของท่านตัดไม้สนสีดาจากเลบานอนให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะส่งคนไปทำงานด้วยและจะจ่ายค่าจ้างให้คนงานของท่านตามที่ตั้งไว้ท่านทราบอยู่แล้วว่าทางฝ่ายข้าพเจ้าไม่มีช่างที่เชี่ยวชาญในการตัดไม้เหมือนกับชาวไซดอนเมื่อกษัตริย์ฮีรามได้รับสารจากโซโลมอนก็พอพ่ายยิงนักและตรัสว่าสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าในวันนี้ที่ พระองค์ทรงโปรดประทานโอรสที่เฉลียวฉลาดแก่ดาวิดให้ปกครองชนชาติที่ยิ่งใหญ่นี้จากนั้นฮีรามทรงตอบโซโลมอนกลับมาว่าเราได้รับสารจากท่านแล้วและจะจัดส่งท่อนซุงทั้งไม้สนศีดาและไม้สนอื่นๆไปตามที่ท่านต้องการทั้งหมดคนของเราจะนำไม้ซุงจากเลบานอนไปยังทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แล้วผูกแพรล่องมาตามทะเลสูจุดหมายที่ท่านกําหนดจากนั้นจะถอดแพรมอบไม้ชุงให้ท่านท่านสามารถจ่ายค่าตอบแทนเราโดยส่งอาหารมาให้ราชสำนักของเราฮีรามก็ส่งไม้สนสีดาและไม้สนอื่นๆมาให้โซโลมอนตามความประสงค์ด้วยวิธีดังกล่าวและเพื่อเป็นการตอบแทนโซโลมอนก็ส่งข้าวสาลีไปให้ราชสำนักของฮีราม ปีละประมาณ 4,400 กิโลลิตรและน้ำมันมะกรอกบริสุทธิ์ปีละประมาณ440กิโลลิตรโซโลมอนทำอย่างนี้ปีแล้วปีเราองค์พระผู้เป็นเจ้าประธานสติปัญญาแก่โซโลมอนตามที่ได้ทรงสัญญาไว้ฮิรามและโซโลมอนทรงเจริญพระราชมัยตรีและทรงทำสนธิสัญญาต่อกันโซโลมอนทรงเกณฑ์แรงงานสา0 0 0ืคนจากทั่วแดนอิสราเอล และส่งพวกเขาหมุนเวียนไปเลบานอนเดือนละหนึ่งหมื่นคนคนหนึ่งจะไปอยู่เลบานอนหนึ่งเดือนและกลับมาอยู่บ้านสองเดือนอาโดนิรามเป็นผู้บังคับบัญชาแรงงานโยธาเหล่านี้โซโลมอนยังทรงมีกรรกรแบกหามอีกเจ็ดหมื่นคนและช่างสกัดหินแปดหมื่นคนในเทือกเขาโดยมีหัวหน้าคนงานสามพันสามร้อยคนทำหน้าที่ควบคุมโครงการและดูแลคนงาน ตามพระบัญชาของโซโลมอนพวกเขาขนหินก้อนมหึมาที่คัดแล้วเพื่อสกัดเป็นหินฐานรากของพระวิหารผู้คนจากเกบานมาช่วยช่างของโซโลมอนและฮีรามในการเลื่อยซุงถากไม้และเตรียมหินสำหรับการสร้างพปวิหารเปลี่ยนครับพระเจ้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้ก็บัรยายถึงการจัดเตรียมจัดเตรียมวัสดุ ต่างๆวัสดุที่สําคัญในการสร้างพระวิหารนั้นก็มีอยู่สองอย่างครับมีหินกับมีไม้หินนั้นสามารถที่จะหาในประเทศอิสราเอลได้ครับแต่ไม้ไม่มีพี่น้องครับเราจะพบว่าบทที่ห้านี้เริ่มต้นด้วยกษัตริย์ฮีรามนะครับกษัตริย์ที่ชื่อว่าฮีรามแห่งเมืองไทระเมืองไทระนั้นเป็นเมืองที่อยู่บนฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน นะครับอยู่ทางเหนือของอิสราเอลซึ่งเป็นประเทศเลบานอนเมืองไทระนี้ถูกปกครองด้วยกษัตริย์ที่มีชื่อว่ากษัตริย์ฮีรามครับกษัตริย์ฮีรามกับกษัตริย์ดาวิดนั้นเขาคบกันเป็นเพื่อนสนิทมีความสัมพันธ์เรียกว่าเจริญความสัมพันธ์กันนะครับมาตั้งแต่นานมาแล้วพี่น้องครับเมืองไทระกับเมืองไซดอนนั้นอย่าลืมครับว่าเป็นเมืองที่อยู่ ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนเหนือของอิสราเอลในประเทศเลบานอนสินค้าส่งออกของเขาไม่อยู่สองอย่างที่มีความเรียกว่านัยยะสำคัญครับก็คือไม้สนสีดาซึ่งเป็นไม้ที่มีค่าครับเป็นไม้ที่มีความสวยงามมากเหมาะสําหรับใช้สร้างวิหารใช้สร้างวังอีกอันหนึ่งครับที่มีความสำคัญก็เช่นเดียวกันก็คือว่า มีหอยประเภทหนึ่งครับหอยประเภทนี้ครับเอามาใช้สกัดเป็นสีย้อมผ้าสีม่วงนะครับภาษาอังกฤษใช้คําว่าดาย d y e dye ซึ่งเป็นสีย้อมผ้าสีม่วงนะครับหอยเป็นพันๆตัวก็มาสกัดเป็นสีย้อมผ้าเพียงไม่กี่ออนก็แสดงว่าสีย้อมผ้าเนี่ยจะเป็นสีที่มีราคาสูงมากครับแต่เมื่อสีเหล่านี้ มีราคาสูงมากเขาก็เลยเป็นสินค้าส่งออกนะครับเป็นสินค้าคห้ค้าประเทศประเภทโอทอปครับส่งออกไปเมื่อเขาส่งออกอไดนะครับก็คือเป็นสีย้อมผ้าสีม่วงจึงได้รับการขนานนามจากชาวกรีกว่าพวกฟินีเซียฟินีเซียนั้นก็คือแปลว่าสีม่วงนะครับ พวกฟินิเซียนี่นะครับถูกนับรวมกับชาวพื้นเมืองที่อยู่ถัดกันเข้ามาในแถบนั้นเรียกว่าเป็นคนขนาดอันครับฟินิเซียนะครับก็คือคนขณะอันแต่ว่าที่มาที่ไปนั้นแตกต่างกันครับพี่น้องครับในเช้า ว, วันนี้เรารู้จักเมืองไซดอนและเมืองไทระครับก็จะมีช่างจากเมืองไซดอนก็เป็นช่างชำนาญเรื่องของไม้ครับ นะครับก็มาร่วมกันกับช่างของอิสราเอลที่ชํานาญเรื่องหินครับเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างพี่น้องครับหากท่านเคยไปประเทศอิสราเอลเราไปดูรากฐานของพระวิหารกันนะครับรากฐานของพระวิหารเนี่ยนะครับมีก้อนหินก้อนหินแต่ละก้อนนี้ก็ยาวเป็นสิบเมตรเลยนะครับถ้าหนักนี่เนี่ยหนักผมว่าเป็นหลายสิบตันเวลาที่เขาขนส่งก้อนหิน นะครับก็ใช้วิธีการเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีของสมัยโบราณเราก็ไม่มีหลักฐานชัดเจนนะครับว่าส่งก้อนหินมาในลักษณะใดแต่ว่าก็คงจะเป็นเทคนิคเดียวกันเทคโนโลยีเดียวกันกับการสร้างปิรามิดครับพียงครับหากพระวิหารในสมัยของโซโลมอนยังอยู่นะครับก็ว่าต้องถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ติดอันดับของโลกในสมัยโบราณเลยทีเดียวครับ พี่น้องครับในช้าวันนี้เราจะเห็นรายละเอียดซึ่งสามารถนําไปปฏิบัติได้ก็คือว่าเราเห็นถึงการจัดการการบริหารงานคนงานของษัตริย์โซโลมอนครับเขามีคนงานหลายผลัดนะครับคนงานผลัดหนึ่งก็ต้องทํางานช่วงหนึ่งและต้องไปพักอีกช่วงหนึ่งถ้ากมภีร์กล่าวว่าโซโลมอนนั้นทรงเกณฑ์แรงงานสามหมื่นคนจากทั่วแดนอิสราเอล ส่งเขาหมุนเวียนผัดเปลี่ยนไปเลบานอนเดือนละ 1, นนหนึ่งหมื่นคนคนนึงจะไปอยู่เลบานอนหนึ่งเดือนกลับมาอยู่กับบ้านสองเดือนพี่น้องเห็นไหมครับจะมีนายงานก็คืออโดนิรัมซึ่งเป็นผูบ้บังคับมัญชาแรงงานโยธาเหล่านี้พี่น้องครับเราจะเห็นนะครับว่าทํางานหนึ่งเดือนนะครับหยุดสองเดือนคืออะไรครับคือความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจและการบริหารจัดการที่ดี แสดงว่าโซโลมอนนั้นได้ให้ความสําคัญกับคนงานค่อนข้างมากเขาจะต้องให้คนงานทํางานและคนงานพักกลับบ้านเพื่อที่จะเจอลูกเมียเจอครอบครัวของตัวเองนี่แหละครับคือวิธีการบริหารจัดการอันชาญฉลาดซึ่งเกิดจากสติปัญญาที่พระเจ้าได้ประทานให้กับโซโลมอนผีนองครับพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่รักษาสัญญาเมื่อกษัตริย์โซโลมอนทูลขอตามน้ำมไทยของพระเจ้า พระเจ้าก็ประทานสติปัญญาอันฉเฉลียวฉลาดการบริหารจัดการต่างๆการนำภาวะการการนำและเป็นผู้นำนั้นก็ครบถ้วนเบ็ดเสร็จอยู่ในตัวคนเดียวของพระองค์พระองค์เดียวคือกษัตริย์โซโลมอนขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราทั้งหลายทุกคนนั้นก็จะเป็นผู้นำในทุกๆระดับเราอาจจะนำครอบครัวของเรานำคิดจักรของเรานำงานของเราหน้าที่การงานจะต้องมีคนที่ อยู่ใต้มังคับบัญชาเราหรือมีหน้าที่การงานที่เราต้องบังคับบัญชามันให้ได้พี่น้องครับเราต้องขอสติปัญญาจากพระเจ้าในเช้าวันใหม่และในเช้าวันต้นสัปดาห์พี่น้องครับขอพระเจ้าเมตตาและทรงนำพี่น้องตลอดไปอาเมน